แต่ทำไมท่านจึงเดินจงกรมเฉยอยู่ได้ท่านมีคาถาอาคมใส่กุญแจปากเสือให้อ้าปากกัดกินคนไม่ได้อย่างนั้นหรือถ้ามีก็ขอเรียนบ้างเผื่อเวลาเข้าป่าเข้าเขาจะได้ไม่ต้องกลัวเสือกลัวหมีมากัดมากินจะได้ภาวนาสบายหายกลัวเสียบ้างเท่าที่ไปอยู่ป่าอยู่เขาด้วยความลําบากอยู่เวลานี้ก็เพราะความกลัวอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่กลัวเพราะมีคาถาปิดปากป้องกันไม่ให้เสือ อ, อ้าปากกัดกินได้ ก็แสนจะสะดวกสบายท่านก็ตอบอย่างสบายว่าเสือมันก็ร้องอยู่โน่นส่วนเราก็เดินจงกลมอยู่ที่นี่ซึ่งห่างไกลกันเป็นเส้นๆหรือเป็นกิโลเมตรก็ไม่ทราบจะกลัวหาประโยชน์อะไรแต่มันเข้ามาร้องครางและทําท่าจะตะครุบเรากินเป็นอาหารจริงๆก็พอจะคิดน่ากลัวมันบ้าง เราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงมันร้องไปตามภาษาสัตว์ที่มีปากไม่เห็นมาทำท่าอะไราใส่เราพอจะน่ากลัวพูดถึงคถาต่างๆใครก็มีอยู่ด้วยกันถ้าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่คนแบบท่านแม้จะไปเรียนคถาจากเท้าเวสุวรรณบนสวรรค์ก็เถอะพอเข้าไปป่าได้ยินเสียงเสือกระหึ่มเท่านั้นก็จะพาคถาวิ่งอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นแหละ คาถาจะเก่งขนาดไหนก็ต้องถูกคนขี้ขลาดกลัวตายพาวิ่งจนสบองจีวรหลุดขาดคาถาอาคมหลุดหายไปไหนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแน่นอนผมแม้มีคาถาป้องกันอยู่บ้างก็ไม่คิดจะให้คนแบบท่านกลัวจะเอาคาถาผมไปชิบหายปนปี่ไม่มีเหลือคาถาจะดีขนาดไหนถ้าคนไม่เป็นท่าคาถาก็ช่วยอะไรไม่ได้ เหมือนคนมีปือนอยู่บรร b a เวลามีเหตุอันตรายแต่ไม่รู้จักใช้ปืนก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่เพียงพูดเรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตางระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ่นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายคี้นหน้าชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตาย ผมนะ่ะมิได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องเที่ยวไปเรียนวิชาคาถาอาคมมาคมขู่สัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดคมขู่ความกลัวอันเป็นภายอยู่ภายในด้วยอุบายต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดวันตายคิดแล้วหน้าอับอายเสือที่มีอำนาจกว่าคนนอนอยู่หรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึกขนองของตน ก็มีคนคอยกลัวอำนาจนักว่าเสืออดีมีอำนาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามและขอเรียนคาถากับท่านแต่กลับได้รับคำตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนาน